กากันตามการําเวลากาลีนธรรมสบนังการปั่งทำตามการเป็นมงคลนสูงสุดวาลีนธมจชาคาชาการสนทนาทำตามการเป็นมงคลนอสูงสุดวันตีจโสวจัดชะา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 วติลูประเทศสาวาโสโะอยู่ในประเทศอันสมควรไม่ใช่อยู่ประเทศไหนอยู่ที่ใดมีการศึกษามีการบอกการสอนมีกัลยาณมิตรคอยขี้ดในการกระทำมันเป็นความดีมีสติมีสมบัติเยอะปฏิเตระจะเสวนาการครบบันดิตบันดิตคือผู้ที่ บอกสอนให้ตั้งในความดีมีสองอย่างบันดิตภายนอกภายนอกคือคนอื่นมีครูบาอาจารย์มีเพื่อนมิตรภายในคือจิตใจเรากย่คบกบวามหลงพบกับบันดิตบันดิตคือสติสัมชัญญะกนพ่านอาิเวนาจะพาราดังการไม่พบกนดผ่าน คนพานก็คือความหลงความล็กความังความทุกข์ความโกรธความวิตกกวงวุ่เศร้าหมองมันเป็นพานาคบเมืมันหลงค บ, บัณฑิตรู้สึกตัวขึ้นมาเมตตนจะเสวนะปัณฑิตก็มาอยู่ในเราเวลามันหลงรู้สึกตัวเปี่ยนคนพานมาคบกั บ, บัณฑิตมันทุกข์มันโกรธมันวิตกกวงวนเศร้าหมอง มันมีอยาคบเราเปลี่ยนได้เราเลือกได้ย่าจนโูชาจะปูชนียานั่งเอตัมมังกรมุตตะมังการโูชาโตผูกคนคนโูชาอย่าลืมคุณบุญคุณพ่อแม่ครูบาอาจารย์ทุกคนมีพ่อมีแม่เอาพ่อเอาแม่มาไว้ในหัวใจของเราอยู่เบื้องหน้าตลอดเวลา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 พ่อแม่มีให้ลูกเกิดขึ้นมาเพื่อให้ลูกเป็นคนดีถ้าเราทำความดีเอากายเอาใจทาความดีก็ เ, เรียกว่าต่อปุญเถนคุณสมปัตตนาของพ่อของแม่ถ้าเราเอากายเอาใจไปทำชั่วก็เรียกว่าเนรคุณเป็นบาปทำชั่วเราทำชั่วเราเป็นทุกข์พ่อแม่ก็เดือดร้อนไม่อยากให้เราเป็นทุกข์ โบราณท่านว่าท่านกินบะขังปมไปฆ่าข้อ ม, มังโมขี่สามหมื่นไปตายตายก็ตายตายแล้วเห็นตุ่มบนน้ำน้ํามายเขาว่าอย่างไรท่านมันจะจัดประเภทหนึ่งไปกินมะขามพ้องเข้าเอ็นไปติคอมัง่งคือกวางกวางกับฟานคนละผ่นกัน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 มีเยอะๆเลยเอาช่างเพื่อนบ้างบางทีพระพุทธเจ้ายังบอกพระสงสัเอาอย่างไก่ป่าเอาอย่างเค้งพระพุทธเจ้าอยู่ในป่าเห็นไก่ป่าไม่ใช่ไก่โจ๊กที่เราเลี้ยงถมีอีกฝูงหนึ่งอยู่ในป่าฝูงนี้ไม่ใช่ไก่ป่าเป็นไก่ไกลายๆโกลนโกนกัน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 ม อ, ดด 3, 4, 5, มองไปข้างหน้าเดินไปสามสีก็มองินข้างหลังดังที่หลวงตาเคยเล่าให้ฟังได้ยินไหมจำได้ป๋เรื่องอะไรเรื่องกวาง่าเก็หมายชิดได้พระพุทธเจ้าเคยเปรียบเทียบให้พระสงฆ์งองเอาอย่างกวางตาสอนให้พระสงฆ์เอาอย่างกวางอย่างไก่มันมีจริงๆงไม่วู่วาไม่ลุกดี้ลุกต่น